ท่า น, นสาธุชนพุทธบริษัททัางหลาย <c oughs> เวลานี้ก็ถึงเวลาที่จะฟังนิทานก่อนหลับ <c oughs> เรียกว่านิทานก่อนหลับเป็นเรื่องของบระสูดวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องมหาการมหาการมาเรื่องการเวลาใหญ่มหาการนี้มีเรื่องสัจจะ อ, อย่างหนึ่งเป็นบุพกรรมเหมือนกัน หรือว่าท่านรักษาโอเบอสดเดือนละแปวันแล้วก็ต้องตายเพราะการถูกฆ่าโดยการเข้าใจผิดนี่เล่าย่อๆตามท้องเรื่องท้องเรื่องมีอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ยาวดีสั้นๆใจความมิว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภ่ายเจ้าพระเด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารบอมบาศก ผู้วาโสดาบันคนหนึ่งชื่อมหาการได้จัดว่าธรรมเทศนานี้ว่าอัตนาหิกระตังปาปังเป็นตน้นเป็นใจความว่าท่านมหาการนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบัรดาพระอรียสงู์มากฟังเทศเจาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยความจับใจซึ้งใจในความดี ที่สำเร็จพระเยสีสมบรูรณ์จนท่านจิตใจของท่านนั้นตัดสัโยศสามรายการได้ต่ตัดได้แบบประโสดาบันจะลืมนะสัโยศสามรายการสามข้อต้นเนี่ยข้อตนน้นมีความสำคัญมากโดยม่กจะมีความเข้าใจผิดว่าประโสดาบันจะต้องตัดสกายะทิฐิได้เด็ดขาด จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกาย <c oughs> ร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> จรึงจะเป็นระโสดาบันได้ไอันนี้ไม่ถูกอขอยืนยันว่าไม่ถูกเพราะว่าโสดาบันยังถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่นอกจะถือร่างกายเขาตอนเองว่าเป็นเราเป็นของเราแล้ว ยังถือว่าร่างกายของคนอื่นเป็นเราเป็นของเราด้วยนั่นก็คือผู้หญิงยังรักผู้ชายผู้ชายก็ยังรักผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้ชายผู้ชายก็แต่งงานกับผู้หญิงและคนที่เป็นสามีพันยากันก็ยังยึดถือในความเป็นสามีพันยาอยู่ก็กแสดงว่าพระโสดาบันยังยึดร่างกายเป็นที่พึ่ง เพิ่มนักต่อไปยังไม่ถึงก็ตัดร่างกายฉะนั้นข้อที่เวลส ก, กายติทิคนี้จเป็นประโสดาบันต้องตัดส ก, กายติทิบทไม่ถูกผิดมากขอบอกว่าผิดถึงที่สุด <c oughs> การตัดสัญญสิบเขา ต, ตัดตัวเดียวที่ส ก, กายติทิเมโสดาบันกับพระสกิธาคามี พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินห้าบริสุทธิ์สําหรับฆราวาสฉะนั้นคนที่เป็นพโสดาบันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายใชเฉยไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นของเราไม่ใช่ของเราพระโสดาบันพระสิกขาคามีมีความรู้สึกแค่ตายเป็นบรรณารสติกรรมฐาน ในสมถะภ า, าวนาถ้าพระอนาคามีมีความรู้สึกจริงใจจดจ่อจําอยู่เสมอร่างกายนี้มันเนา่ามันสุขโรคมันสุขโรโสโครกน่าสียเสียเอียนตัดกามไฉันทะได้ถ้าอารมณ์ข้ออรหันเท่านั้นที่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ดังนั้นบรรดา ญ, ญาโยงพุทธบริษัททราบตามนี้และพิสูจน์สมานิยก็เหมือนกันขอยืนยันว่าไม่ผิดไป่ต้องเล่ากันต่อไปเมื่อท่านมาหาการฟังเทศของพระเจ้ามีความเคารพรักในพระเจ้าในพระธรรมพระสองฆ์อย่างยิ่งต่อมาท่านก็รักษาโอโมสดเดือนละแปดวัน ความจริงเดือนหนึ่งสี่วันพระท่านอาจจะรักษารวดเดียว8ปดวันหรือวันพระละสองวันอวันโกกับวันพระก็ได้บาลีไม่ได้บอกมาหลังจากนั้นท่านพระก็พักอยู่ที่กันนายาใกล้ๆ ก, กับวัชชตะวัน <c oughs> มาวันหนึ่งในตอนเช้าท่านลุกออกจากเขตกอวพะเชตะวันมาที่ใกล้สาปโปกรณี หวังจะล้างหน้าล้างตาลิ้อาบนาำชาระร่างกายสะอาดตามแบบจำบับของคนที่ต้องการความสะอาดในเช้าตู่วันนั้นก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งมีโจรกลุ่มหนึ่งไปงัดแงตัดช่องย่องฝาความจริงต้อเรียกตัดช่องย่องหนักแต่ไม่ได้ตัดช่องย่องเบา ยังไม่รู้กะตั ด, ย, ตดยังไงตัดไอ้ยของเขาตื่นเลยไปเจอบบ้านเขาจะไปงัดบ้านเขาเอาของเขาตื่นพอ ง, งัดบ้านได้แล้วก็เอาอเอาของที่มีค่าตามทุ้คนถือมากระ ถ, ถุงสองถุงแล้วกอะไรชิ้นสองชิ้นแล้วอาจจะเป็นคนละหลายชิ้นก็ได้วิ่งหนีมาเจ <c oughs> ยวของเขาตื่นก็เออเอาไปไว้ไล่กวดมาชาวบ้านตามมาหลายคน โจนทั้งหมดแตงคนแตงแยกย้ายจะวิ่งไปอีกคนหนึ่งดันวิ่งมาทางวิงหารชุบชีะตะวันเมืม่อถึงนิดหน่อยมาหาการกำลังนั่งจะลั่งหน้าก็ไปได้สังเกตเจ้าโจรคนนั้นเห็นหมดท่าก็เลยย่อนโยนห่อวัตถุที่นำมาเป็นของมีค่าเป็นเงินนละทองก็ไม่ทราบ ว่าใกล้ๆท่านมหาการแล้วก็วิ่งหนีต่อไปชาวบ้านมาเข้ามาในเขตเห็นโจรวิ่งเข้ามาก็ตามมาเห็นห่อของที่มีข่าวางอยู่ใกล้ๆ ก, กับมหาการในความจริงไม่ได้ข้างตัวเขาโยนมาใกล้ๆเลวก็วิ่งไปผู้โยนอาจจะไม่มีเจตนาให้เขาเข้าใจว่ามหาการเป็นขโมยก็ได้ หรืออาจจะตั้งใจคิดว่าโยนทิ้งไว้เขาเของของเขาจะได้ไม่ตามหรืออาจจะคิดเลวซามเขาคิดว่าอีแต่แก่นี่เป็นคนขโมยเราก็หมดภัยอันนี้ก็ได้แต่ว่าที่ว่าเป็นกรรมของมาหาการชาวบ้านก็มาพบหอของที่มีค่าเห็นแต่มาหาการนั่งอยู่คนเดียวจึงชี้หน้าด่าว่าไอ้แก่ มึงเป็นโปรนโจรป ล, นนปลน้นชาวบ้านเข้าของกุมารแล้วทำท่าเป็นคนรักษาอมโสดอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสันดานมึงมีความชั่วเจ้าตัวรอดเพราะอาศัยบุญบารมีของพระเจ้าจงอยู่หญ่าอยู่เลยมึงจงอย่ามีชีวิตจุโรยตายซะเถอะพวกคนเข้ากุ้มลมตีแก่ตายไปเลย เมื่อแกตายเรียบร้อยแล้วเขาก็นําห่อบรรดาไปนี่ธรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเดียกความตายเป็นของเที่ยงเชื่อทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้อย่างท่านมาหาการนี่ท่านเป็นวสุนาบันเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร แต่ว่าในที่สุดธรรมการก็ต้องตายพระถูกขับประหารตอนฤาษีสายพระเองกลับมาจากเป็นธบัตรถึงบางท่านตื่นเช้าจะไปล้างหน้าที่สาบุกกรณีเป็นธรรมการนอนตายแง่แก่อยู่แล้วก็ตกใจเวลาฉันพระตาหารเช้าเสร็จฟังเทศเสร็จยังเก่งกราบทูลองค์สมเด็จพระประที่แก้ว ว่าพันเตพระกวาข่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าพู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าท่านมหาการนี่เป็นคนดีมากและก็เป็นประสวดาบันเดือนหนึ่งรักษาอมโบสดตสินถึงแปดวันใน ว, วันนอกนั้นท่านมหาการก็พูดส่งสินบริสุทธิ์เพราะเป็นพระอาเรียเจา้า แต่อยู่อยู่แล้วท่านมาหาการทึ่เป็นพระอธิยขันปรสุาปฏิพัธ์ก็ถูกคนทุบให้ตายเล่งโกโกโดยไม่มีมีผลยังใครอยากจะกราบทูลถามองค์สมเด็จพระทศพล์ว่าท่านมาหาการี้มีกรรมอะไรเป็นเหตุที่ถูกฆ่าตายอย่างนี้พระเจ้าข้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าจะได้มีพระพุทธติกาว่าพิกวีดูก่อนริสทังหลายนี่ท่านหลายฟังเราคิดตามไม่ได้นะไอ้กฎของกรรมเนี่ยมันแปลกชาตินี้เราไม่ทำเขาอยู่เฉยเขาทำเราอาจจะทำเขาก่อนแต่ก็ไม่แน่กรรมบางอย่างเราไม่ทำแต่เขาเลยพูดเดียวอันนี้มีอยู่อย่าไล่ฟังวันหลังในเมืองพารานาสี ในเมืองนี้ก็มีทางเดินที่เป็นเขตป่าเมืองไหม้กวายบ้านเมืองมันต้องมีทั้งที่เตียนทั้งป่าสมัยน้นป่ามากกว่าเตียนเพราะคนมันน้อยรถแท็กเตอร์เครื่องตัดจักรก็ไม่มีป่าเลยไม่ควรจะรับเวลานี้สะดวกป่าโล่งดีสะดวกเอาตามองไกลาตาไม่ติดต้นไม้อมืเป็นวาระต้นไม้มีกำ คือถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องจักรทุกวันน่าสงสารต้นไม้ไมรวมความว่ามีป่ามากไอ้โจรแห่งพวกหนึ่งเวลาคนที่เขาเข้าไปในป่าชัดจะถูกผู้โจรนี่ปล้นจะบ้างถ้าต่อสู้ขยึงก็ฆ่าฉะนั้นพระเจ้าพาราณสีจึงให้ราชพัฒคนหนึ่งไอคำว่าราชพัฒน์เนเป็นคนที่พระราชาทุบเลี้ยง เวลานี้ก็จะเป็นเหมือนพวกมหาเล็กและมหาโตมหัสเล็กคือคนรับใช้หรือมหาโตคนใช้ผู้ใหญ่รับหน้าที่ป้องกันอันตรายให้นำกำลังให้นาให้นากาลังส่วนหนึ่งไปรักษาอยู่ที่ปากดงเชื่องกึ่งการคงครามเผลอไปของมันหล่นมาถูกไมโครโฟน แล้วก็ให้ช่วยคนที่จะเข้าไปในดงประคับประคองป้องกันัตรายจากปากตรงนี้ถึงปลายดงน้นออกสุดดงแล้วก็กลับม่ราชพัชกร น, นั้นคือคนพระราชาคนนั้นชื่ออะไรก็ไม่ทราบขาก็ทำอย่างนั้นพระพระราชาจ่ายเงินควบคุมนูกน้องป้องกันัตรายแก่คนที่เดินลัดป่า แต่บางเอื่นเป็นวันหนึ่งมีชายหญิงสองคนหัวหนุ่มเมียสาวเมียสวยซะด้วยนำยานมาก็น่าก็ยันนำเกวียนมานำยานนี้มันจะหมายถึงมานำเกวียนมาก็หวังจะลัดป่าไปมันก็ยังไม่บ่ายมากนะักความจริงพอรัดไปได้ไปทัน ก็บอกนายราชพัตว่าขอได้โปรดป้องกันทรายเข้าไปเจ้าด้วยนายราชพัตรคนนั้นเห็นเมียเขาสวยตอนนี้ก็อยากจะเป็นเจียวโจรแย่งนางโมราแต่เจริยาไม่ใช่อย่างนั้นเขบอกว่าเห็นท่าทางว่าที่เมียสวยเอาเถอะแต่ว่าจะเอาเวลานี้ลีลามันไม่เหมาะก็เลยบอกว่าดิคุณ มันเย็นมากแล้วไปพักที่บ้านของผมก่อนเถอะใชบ้บุคคนนั้นก็ยังปไปบออกไปยังไปทันครับคุณนายช่วยป้องกันอันตรายพ้นไปถึงป่าโปรตนนั้นด้วยเพื่อออกพ้นป่านายราชพัชคนนั้นก็ยืนยันว่าบ้านของผมไม่ที่นอนดีมีอาการบริโภคดีพักก่อนครับไปแล้วมันไม่ขําจะลําบากชายคนนั้นก็ยืนยันว่าจะไป นายได้เพาะเจียมให้สัญญายกับรูกน้องบอกนําไปบ้านเ้าก็เลยนำเกวียนคือพานะนี่ยไปบ้านเจ้าของก็ต้องไปด้วยจัดที่หลับที่นอนให้ดีเรียบร้อยตอนกลางคืนก็วางแผนว่าจะต้องฆ่าเจ้าผัวนี่ให้ได้ฆ่าผัวว่ามันเสียเอาเมียมันแต่เวลาได้เมียก็ไ ม, ไม่ไม่ทราบเป็นฆ่าตายแน่ ตอนกลคืนเขามีแก้วมนันีก็ย่องเอาแก้วมนันีไปใส่ไว้ในเ ข, นขวี้ยนซุกไว้พอตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาเอะอะวุ่นวายว่าแก้วมันีเราหายไปสั่งให้คนหลายกั้นประตูล้อมบ้านให้หมดคนคนที่อยู่ในบ้านและภายนอกที่ผ่นเข้ามาคนเข้าคนออกหรือคนที่อยู่แล้วค้นหมดคนในตัวคนทั้งหมดไม่พบแก้วมันี เขาเลยนำคนว่าลองไปค้นที่เกวียนหลังนี้สิเรื่มนี้สิมันก็พบที่จะไปเก็บไปเองมันได้แก้วมั น, นีก็ปราโมทด่าว่าบาัดฉันเนี่ยรู้ซาให้ป้องกันอันตรายแกเธอให้บ้านเป็นที่พักอาหารไม่ที่กินยังดีไม่พอสำหรับเธอเธอจะไม่จําทําตัวเป็นขโมยอย่างนี้นายคนนั้นก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยครับแก้วมั น, นีผมก็ไม่มี ผมพักอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ลงไปสิยานพานะเลยเขาบอกว่าแกไม่ต้องพูดปดเวลานี้มันได้ของที่เกลงของแกแจการลงโทษ ด, ดาบนมเสร็จก็ถอยไปลูกน้องเลยทุบในคนนั้นจะตายข้าผัวมันเสียเมียเหลือคนเดียวพอคิดว่าคงไปไม่รอดแต่เื้นดินหลนไม่ยอมไม่ตกลงบั ง, งชินเขาก็จะข้าซะอาีก ยังไงยังไงเป็นพัญญาของเขาจะดีกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าพิกวีดูก่อนวิสุทธังหลายท่านมาหาการที่ตายในเวลานี้ไม่สมควรกัไม่สมควรกับกรรมในปัจจุบันว่าในชาติปัจจุบันนี้ท่านมาหาการเป็นคนดีมากไม่เคยเป็นเวรเป็นภัยกับใครดีทุกอย่าง เพียงแค่ฟังเทศเจตถาคตเป็นจบเดียวถ้ามาหาการก็ได้ประสูดาปฏิผลหลังนั้นจังากนั้นก็ตั้ง ต, งตนในความซสื่อสัจสุจริตทรงสินทรงธรรมเป็นปกติแต่ว่าเวลานี้ามาหาการต้องตายแต่การตายของมหาการนี้สมพอดีอดกับกรรมในชาติก่อนทั้งนี้เพราะอะไร ว่าท่านมาหาการนในชาติก่อนนี่เป็นโจรเป็นในราชพัชคือในราชพัชคนที่ทุบหัวกองเขาพบให้ผัวให้ตายพบฆ่าผัวมันเสียอเมีย ม, มันนั่นแหละคือในราชพัชในเวลานั้นมาเกิดในมาหาการในเวลานี้ความจริงสมัยนั้นจิตใจก็โหดร้ายแต่เขาก็ดีนะ ปกตินั่นดีแต่ความยิงคุณจะโทษผู้หญิงผู้หญิงสวยสวยรูปร่างหน้าตาดีๆมีเสน่ห์มากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเสมอทำให้ผู้ชายตายได้เยอะดูจะท่านมาหาการนี่เถอะในชาติก่อนโน้นท่านเป็นราชพัฒ ความจริงเขาแต่งงานแล้วก็น่าอย่าทราบว่ามันเป็นสิทธิของเขาคนนี้ก็มีเจ้าของแล้วไม่น่าจะเข้าไปยุ่งแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองก็มีเมียแล้วความจริงคนมันก็แค่คนความสาวความสวยจะอยู่ได้ไม่นานขณะใดที่ร่างกายยังเปล่งปลั่งยังไม่สุดสงความสาวความสวยมันก็ยังปรากฏ ถ้าเวลาการ ก, กำหนดเลื่อนไปทุกวันทุกวันความสวยก็เริ่มโทมไปทุกวันมิ่งกันนี่นางสาวคนสวยต่อต่อไปเมยุพันการสามสิบปีเศษไปก็เป็นนางสวยที่มีความโทมที่ร่างกายค่อยค่อยโทมถ้าสี่สิบไปแล้วก็โทมมากหน่อยถ้าถึงห้าสิบหกสิบไม่ทันนะไม่ใช่นางสาวไม่ใช่นางโทม แล้ว ไ, ได้เป็นนางสวยนางสายก็ไม่ใช่นางทรงก็ได้เป็นนางสวยหมดความสวยแก่งาแย่แยอแก่หมราคาหมามหมินคนก็มหมินหมาไม่แน่หมิน้ไน็ไม่เหมินไม่ทราบถ้าเข้าไปหลักผิดพวกผิดพร่องมอ า, ากจะกัดอาจจะไม่มหมินก็รวมความว่าหมดความหมาย แต่ว่ากรรมอะไรคนเราจึงโง่ขนาดนั้นถ้าราชาพัฒมายังโง่ขนาดนั้นมปัญญาของเขาน่าจะปล่อยอิสระแต่ว่าถ้าแย่งปัญญาเฉยๆก็ร้ายกาจมากดูแล้วแต่ว่าที่พ่อยอดราชาพัฒใจแกล้วดันหาเรื่องฆ่าผัวเขาแต่ตอนนัปัญญาเข้ามาเป็นปัญญาก็ตอนกําลังใจของเธอจะเป็นยังไง การที่อยู่ในการไม่ได้ประกอบด้วยความรักจิตใจก็ยังมีแต่ความทุกโทมจิตใจก็ยังมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโกรธก็วายความสุขแห่งการสัมผัสอาจจะมีจากในราชวัตรคนนั้น <c oughs> แต่ว่าหญิงคนนั้นก็จะหาความสุขความรื่นเริงไม่ได้นี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โยองสมเด็จไระจอมตรยทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงคนคนเก่านี่หลีคนเรานี่หลีกฎของกรรมไม่พ้นถ้าขนาดท่านก่อนเราเคยทํากรรมที่เป็นอกิสสเวลานี้ก็ต้องคิดบรรดาในพุนนทธศาสนาที่กระชอนน้อยไม่ทราบว่าท่านก่อนเราไปสร้างกรรมอะไรกันไว้ บ้านเมืองเกิดการวิริตผลแรงบ้างน้ำแห้งบ้างผลแรงบ้างน้ำท่วมบ้างมันไม่มีการพอดีพอดีที่เป็นอย่างนี้จะไปโทษรัฐบาลจะไปโทษประมาณกษัตริย์จะพทดข้ารการใครก็ไม่ถูกทท่านั้นก็ต้องโทษกฎขุองกรรมเพราะว่าในชาติก่อนเราจะคงจะไปยื้อแย่งเขาไว้มาก ไปลักไปกบอยรปคดไปโกงเขามากชาตินี้เราจึงต้องลําบากข้าวยากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลให้ฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้นยังเป็นวาระใต้ข้าวก็ยากหมากก็แพงนี่สิของแพงขึ้นทุกวันแล้วคุมสถานาการณ์กันไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับประเทศอินเดีย ประเทศอนดีนี่ค่าครองชีพเขายี่สิบปีเสร็จเขาไม่ขึ้นไหวเขามีเนื้อคุณเนื้อวัวเนื้อควานี้กิโลละแปดบาทเนื้อหมูดดนว่าถ้าฟังไม่ผิดก็จะเป็นกิโลละเก้าบาทหรือิบสองบาทท่นั้นเองค่าแจ้งแรงงานแขกแขกในประเทศอินเดียวันหนึ่งสองเริวรูปีเขาพอใจ หรือว่าอินเดียเขาบันทึกสองรูปปีเนะทางานทําการนิวัดพุทธกยาจ้างแขกเขามาสองคนที่ไปหินให้เขาคนละสองรูปีเท่ากับเงินห้าบาทหนึ่งรูปีเท่ากับสิบสตางค์และสองบาทห้าสิบตางค์สองรูปีเท่ากับห้าบาทเขาพอจ้างทําแรงงานอย่างอื่นเขาก็ต้องการสองรูปีจ้างเดินขบวนก็สองรูปปี ใครต้องการให้เดินกระบวนโารเหตุผลไม่สำคัญมีอย่างเดียวจ้างฉันให้พูดว่าอย่างไงรเขาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสอนบอกให้พูดอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้ทำสถานการณ์แบบนี้เขาจะทำอย่างนี้แต่ว่ามีปัญหาว่าต้องจ่ายสองลูปีก่อนนะถ้าได้สองลูปีทำได้ทุกอย่างนี่แต่บรรดาท่านพุทธบริัทกฎของกรรมมันเป็นอย่างนี้ อะไรอะไรก็ใช่รูปีเป็นเหตุจ่านน้องค์สมเด็จพ ร, ระบรมโลกกาธิโบอกว่าโลกนี้เต็มด้วยความเ ร, ร้อนโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเพราะสมัยนี้ก็าใช้เสียงข้างมากเป็นสำคัญแต่เสียงข้างมากนั้นท่านได้มาจากเงิน มันก็ไม่ใช่เสียงเขาอุดมการมันเป็นเสียงรับจ้างมันเป็นความพอใจเขาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเสี่อมนาจวา ส, สนาตีเที่ยงว่ากัถึงประเทศแขกประเทศแขกก็แจกกันแบบนี้ประเทศอื่นจะมีการแจกหรือไม่ไมอาตมาไม่ทราบอนุทิฟังแจกแขกพูดก็พอดีไปเมืองพาราณสี เด็กๆไปกันพลาดไปกันกับพระเจ้าให้ทราบว่าที่นั่นเขามีการเดินขบวนกันแล้วก็มีคนในประเทศแข่นั่นเขาก็บอกว่าการหาคนเดินขบวนไม่ยากครับถ้ามีเงินจ่ายคนละสองรู ป, ปีจะเดินขบวนได้ทุกวันถาว่าเดินขดวนเพิ่มบนเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นพักการเมืองพักการเมืองให้เดิน เดินเพื่อผลประโยชน์คมพักเพื่อผลประโยชน์คนส่วนตัวไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของชาติ <c oughs> อย่างนี้แต่บรรดาเต็มพุทธบริษัทถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์อีกร้อยก็อยพบกับความเสื่อมโทรมแบบนี้ทุกภายในคือการประกอบอาชีพของเราก็ทุกยังทุกภายนอกจากคนบุคคลแสวงหาอำนาจที่ไม่เป็นธรรมัน้นทางที่ดีพวกเราตัดสินใจไปนิพันกันดีกว่า ลีลายาการมรรคผลก็ขอไม่ยากยิดอารมณ์ปัจจุบัเข้าไวา้ตามที่กล่าวมาแล้วขึ้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่ประมาทที่มิคิดเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความมัน่นคงทรงสินตามฐานหน้บริสุทธิ์จิตตั้งไว้เพื่อพรนิพพานถ้าสายกําลังใจได้อย่างนี้นั้นคือเชื่อบาปกรรมทําำลามกทั้งหมดที่มีมาแล้วในการก่อน จะไม่สามารถนําธัมรดาธามพุธทธสารนิกชนพราเป็นสาวกของค์สมเด็จปัญินวรให้ไปลาบายภย่าได้มีทางเดียวไปสวรรค์อย่างต่แล้วต่อไปผมแล้วต่อไปก็ไปพันธิพัณฑ์ดีไม่ดีถ้าบารมีของท่านแก่กล้าก็พันิพัณฑ์ในชาตินี้พูดมากเพื่อได้ไดธัมดาธัมพุทธบริษัทเทเจมุติโคลาก่อนข้อความส่งสวัสดิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลย่อมมีแดบันดาธรรพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี